บทที่สามสิบขหะบอดีนายสมชายพาท่านพระครูกลับถึงวัดป่ามะม่วงเมื่อเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาเศษที่กุฏิของท่านพระบวัวเหี่ยวกำลังสอนวิธีเดินจงกรมและนั่งสมาธิให้กับขาหะบอดีและครอบครัว ตามที่ท่านได้มอบหมายหน้าที่ให้เมื่อท่านเดินเข้ามาภิกษุรูปหนึ่งกับครวาสห้าคนก็ทำความเคารพด้วยการกราบสามครั้งจเจริญพรโยมาถึงนานแล้วหรือท่านถามข้าหะบดีถึงสักบ่ายสองโมงเห็นจะได้ก็ไปเสียเวลากับการหาชุดขาวนะครับหลวงพ่อข้าหะบดีตอบ เขาอยู่ในชุดเสื้อคอกรมสีขาวกางเ ก, ง, เกงขาวกว้้ยสีเดียวกันภรรยาและลูกชายอีกสามคนก็แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวดูสะอาดหมดจดหลวงพ่อมาเหนื่อยนิมนต์พักสงน้ำก่อนไม่ดีกว่าหรือคะนางกิมเองพูดขึ้นเมื่อเห็นท่านเดินมานั่งยังอาสนะวันนี้หน้าตาเนื้อตัวหล่อนปราศจากทั้งเครื่องสาอาง และเครื่องประดับจึงดูผิดไปจากวันวานราวกับคนละคนนิมนหลวงพ่อส่งน้ำก่อนดีกว่าครับสามีนางกิมเองก็เห็นพ้องกับภรรยาไม่เป็นไรหรอกโยมเรื่องนั้นไม่สลักสำคัญอะไรอาตมาสงน้ำตอนตีสองเกือบทุกวันและหลวงตาไม่หนาวแย่หรอครับหลวงตามีน้ำอุ่นหรือเปล่า ลูกชายคนเล็กของขะหบดีถามขึ้นไม่มีรอกหนูหนาวก็ต้องทนเอาท่านตอบและหลงตาหิวไหมครับหลวงตาไม่ได้ฉันเข้าเย็นไม่หิวแย่หรือเด็กหนุ่มถามอีกเพราะตัวเขาเริ่มจะหิวเนื่องจากใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วไม่หิวรอกหนูหลวงตาชินแล้วถามอย่างนี้แปลว่าหนูหิวแล้วใช่ไหมล่ะ ท่านถามอย่างรู้ใจใช่ครับเด็กหนุ่มตอบตามตรงหิวก็ต้องอดทนนะหนูนาะอดทนมากๆและมันจะชินไปเองพี่ชายอีกสองคนที่นั่งฟังอยู่ออกผิดหวังคิดว่าท่านจะอนุญาตให้รับประทานอาหารมื้อเย็นได้ลงตาครับขอทานวันนี้วันเดียวไม่ได้หรือครับแล้วพวกนี้พวกผมค่อยฝึกอดกัน คนตัวโตที่สุดต่อรองก็ฝึกเแต่วันนี้ไม่ดีกว่าหรือถ้าเรามัวผัดวันประกันพรุ่งมันก็พรุ่งนี้อยู่เรื่อยการทําความดีไม่ต้องผัดวันประกันพรุ่งนะหนูนะลวงตาครับทําไมการทําความดีต้องอดข้าวด้วยล่ะครับอีกคนหนึ่งถามขึ้นเดี๋ยวก่อนลวงตายังไม่รู้เลยว่าพวกหนูชื่ออะไรกันบ้างไหนลองบอกมาสิ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 ซึ่งเป็นพี่ชายของพวกเขาทำใจดีๆนะ่ากิมเองอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดขาห บ, บดีพูดปลอบใจภรรยาตัวเขาเองพอทำใจได้แล้วเกี่ยวกับเรื่องที่ลูกชายตปดยาเสพติดเขาไม่ต้องการให้ลูกชายอีกสามคนดำเนินรอยตามพี่ชายจึงสู้อุตสาหพามาเข้ากรรมฐานทั้งที่โรงเรียนยังไม่ทันปิดภาค ลูกๆ ก, ก็เชื่อฟังเป็นอันดีหลวงตายังไม่ตอบผมเลยครับว่าทำไมการทำความดีต้องอดข้าวด้วยหนุ่มน้อยที่ชื่อต้อมถามอีกเดี๋ยวหนูตอบหลวงตามาก่อนสิว่าคำสอนหลักของพระพุทธศาสนานะมีกี่ประการอะไรบ้างไม่ทราบครับพวกผมเรียนโรงเรียนคลิปมาตลอด จึงไม่รู้เรื่องศาสนาพุทธเลยและสวดมนต์เป็นไหมพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณณนะเคยสวดหรือเปล่าท่านถามคนชื่อต่อไม่เคยสวดเลยครับเพราะไม่เคยสวดก็เลยสวดไม่เป็นครับครูสอนแต่สวดสารเสริญพระเจ้าแล้วพ่อแม่เขาไม่สอนให้สวดบ้างหรือเด็กหนุ่มมองบิดามารดา อย่างเกรงใจก่อนตอบว่าไม่เคยครับเอาละไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นโยมช่วยตอบแทนลูกหน่อยก็แล้วกันไหนบอกอาตมานหน่อยสิว่าคําสอนหลักของพระพุทธศาสนาน่ะมีอะไรบ้างท่านถามขาห บ, บดีไม่ทราบครับสามีนางกินเองตอบอย่างไม่ลังเลท่านพระครูจึงถามต่ออีกว่า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 ข้าหบดีโยนความผิดไปให้บิดามารดาซึ่งในเวลานี้กำลังนอนอยู่ในห่วงซุยแม้ถ้าเตี่ยกับแม่ของโยมนั่งอยู่ตรงนี้ก็คงพูดแบบเดียวกับโยมเหมือนกันจริงไหมท่านย้อนอย่างสุภาพจริงครับข้าหบดียอมรับความจริงงั้นก็เอาละพูดไปก็ไม่มีทางยุติได้ ฉะนั้นเราอย่ามัวแต่โยนความผิดให้คนอื่นต้องยอมรับอย่างหน้าชื่นตาบานว่าความผิดมันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละฉะนั้นต้องแก้ไขที่ตัวเราไม่ใช่ไปแก้ไขที่คนอื่นโยมเห็นด้วยไหมท่านถามนางกิมเองเห็นด้วยค่ะและโยมละ่ะเห็นด้วยกับที่อาตมาพูดหรือเปล่าเห็นด้วยครับขหบดีตอบ ต้องเห็นด้วยสินึกว่าไม่เห็นด้วยจะได้ให้ไปเอาอาาอากงจากหวงซุยมาฝึกกันใหม่เอามาฝึกสวดมนตนะ์หนูนะท่านหันไปพยักพเพยิดกับลูกๆของนางกิมเองเด็กหนุ่มทั้งสามพากันหัวเราะคิกคักเอาละที่นี้มาพูดเรื่องสวดมนต์กันต่อโยมโปรดจำไม่ว่า พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกถ้าพ่อแม่ไม่เคยสวดมนต์ลูกเขาก็สวดไม่เป็นแล้วเดี๋ยวเนี่ยตามโรงเรียนเขาก็ไม่ค่อยจะสอนให้นักเรียนสวดมนต์ไปสอนอะไรก็ไม่รู้นี่อาตมาหมายถึงโรงเรียนชาวพุทธนะอย่างโน้โนูเนี่ยสวดมนต์ไม่เป็นแต่กรับสวดอ้อนวอนพระเจ้าได้เพราะครูเขาสอนอันนี้จะโทษเด็กก็ไม่ได้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 ทีนี้เราก็จะมาพูดกันถึงหลักคำสอนสาคัญของพระพุทธศาสนาท่านหันไปพูดกับพระบัวเหียวว่าอาจารย์บัวเหียวนั่งฟังมานานแล้วไหนลองบอกลูกศิษย์หน่อยสิว่าหลักคำสอนสาคัญของพระพุทธศาสนานมีอะไรบ้างพระหนุ่มแสนจะดีใจที่ได้มีโอกาสพูดกับเขาบ้างฟังอย่างเดียวมันแสนจะอึดอัดท่านวางมาสให้ลูกศิษย์เลื่อมใส ด้วยการกล่าวนำเป็นภาษาบาลีแล้วจึงแปลเป็นภาษาไทยว่าด้วยการกล่าวนำเป็นภาษาบาลีแล้วจึงแปลเป็นภาษาไทยว่าสัพพปาปัสสะอากะระนังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำความดีให้เพียบพร้อมสจิตตะปริโยทปนังการทำจิตของตนให้สะอาดบริสุทธิ์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 หนูบอกหลวงตามาก่อนสิว่าหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างที่อาจารย์โวเฮียวพูดไปเมื่อตกี้นี่นะ่ะได้ยินท่านอ้างถึงพระโวเฮียวก็ใจพองครับอกผมจำไม่ได้เลยครับหลวงตาอาจารย์โวเฮียวพูดยาวยืดเลยแล้วยังมีภาษาบาลีอีกด้วยผมฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจแต่ที่หลวงตาพูดนั้น ผมเข้าใจและจำได้ด้วยครับคำตอบของลูกศิษย์ทำให้หัวใจที่กำลังพองหนอของพระโบเฮียวกลายกลับเป็นยุบหนาะเซทันใดท่านพระครูรู้ถึงหัวจิตหัวใจของพระนมจึงพูดเป็นเชิงเตือนว่ายังใช่ไม่ได้นะใจที่ฟูฟูแฟบแฟบไปตามอิทธารณม อนิารมนั้นยังใช่ไม่ได้ต้องพยายามฝึกใหม่ไม่ให้หวันไวไปในโลกกระทำต้องฝึกอีกมากแล้วท่านจึงพูดกับในต้อมว่าอาจารย์ของหนูสอบตกเสียแล้วถูกหนูประเมินผลเข้าหน่อยใจแฟบไปเลยประเมินผลอย่างไรครับเด็กหนุ่มงงก็ที่หนูเข้าใจที่หลวงตาพูด แต่ไม่เข้าใจที่อาจารย์บัวเหียวพูดทั้งที่มันเป็นเรื่องเดียวกันก็แปลว่าอาจารย์บัวเหียวไม่มีประสิทธิภาพในการสอนเข้าใจหรือยังละ่ะท่านอัธถาที่บายคงไม่ใช่อย่างนั้นมังครับหลวงตาผมไม่มีประสิทธิภาพในการรับมากกว่าอาจารย์สอนดีแต่ลูกศิษย์ไม่เก่งพอที่จะรับได้เขาแก้ตัวแทนอาจารย์ พระบัวเหียวรู้สึกว่าเด็กหนุ่มผู้นี้เป็นคนฉลาดอย่างน้อยก็ฉลาดกว่าท่านแล้วคนฉลาดก็พูดอีกว่าแต่ตอนที่อาจารย์บัวเหียวท่านสอนเดินจงกรมและนั่งสมาธิท่านสอนดีมากนะครับพวกเราเข้าใจกันทุกคนฟังแล้วพระบัวเหียวก็อยากจะใจโฟหากก็เกรงพระอุปชาจาว่าขาน จึงเพียงแต่กำหนดเฉยหนอทั้งที่รู้สึกว่ามันทำได้ยากนักหนาเอาละ่ะถ้าอย่างนั้นหนูลองบอกหลวงตามาสิว่าที่หนูเข้าใจและจำได้แม่นนั้นนะมีอะไรบ้างละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสครับเด็กหน่มตอบถูกแล้วดีมากจำเก่งมากเอาละ่ะ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 คำสอนหลักของพระพุทธศาสนาก็คือศีลสมาธิปัญญาซึ่งสามอย่างนี้เกี่ยวข้องกันศีลต้องมาเป็นอันดับแรกเมื่อพูดถึงศีลก็มีตั้งแต่ศีลห้าศีลแปดอันนี้พูดเฉพาะครหอัดไม่ได้รวมไปถึงศีลของสมณะ น, นหรือว่าของภิกษุและภิกษุณี ศีลห้าที่ผมเคยเรียนในหนังสือใช่ไหมครับหลวงตาหนุ่มติ๋งถามเพราะจําได้คลับคล้ายคลับคลาว่าเคยเรียนในหนังสือเขาว่าอย่างไรล่ะแทนคําตอบท่านกลับย้อนถามเขาก็ว่าศีลมีห้าข้อคือข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ครับเขาก็ว่ามีห้าข้อ ข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ครับแล้วข้อสองล่ะลืมแล้วครับผมเคยท่องได้หมดทุกข้อในตอนใกล้สอบแต่ตอนนี้จำได้แค่ข้อเดียวเองครับหนุ่มน้อยเรียนตามตรงอ๋ออย่างนี้นี่เองหลวงตานึกว่าศีลเ้ามีไว้ให้คนประพฤติปฏิบัติซะอีกทิฏแท้ก็มีไว้เห็ดทองตอนใกล้สอบ อย่างงั้นใช่ไหมแม้จะอายุน้อยที่สุดในบรรดาผู้ที่นั่งอยู่นะที่นั้นแต่หนุ่มติ๋งก็พอจะรู้ว่าท่านพูดประชดจึงยกเหตุผลมากล่าวแก้ว่าเพื่อนๆผมเขาก็ทําอย่างนี้ครับคือท่องได้ตอนก่อนสอบพอสอบเสร็จก็ลืมหมดบางคนลืมตั้งแต่ยังไม่ทันสอบซิด้วยซ้ำเลยพากันตกเป็นแถวๆพวกเรา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 เขาถึงจะให้เลิกสอนวิชาศิลธรรมเขาคงเห็นนักเรียนไม่ชอบนั่นเองท่านประชดอีกคราวนี้ประชดกระทรวงศึกษาธิการแม้จะรู้ว่าท่านประชดแต่หนุ่มติ๋งก็แซงเออ อ, อห่อหมกด้วยว่าดีครับเลิกเลิกไปก็ดีไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยก็ทําไม้มีประโยชน์แล้วรู้มาวัดทำไมล่ะ มาวัดนี้ทำไมป๋าบังคับให้มาครับอ๋อมาเพราะถูกบังคับหรอกหรือติง๋งจะพูดจาอะไรระวังปากไว้มั่งปากไม่ดีจะพาให้จมูกพรอยเจ็บไปด้วยนะข้าบดีเตือนลูกชายคนเล็กก็จริงๆนี่ครับป๋าพวกผมไม่อยากมาสักคนนี่ก็ต้องอดเที่ยวปีใหม่ด้วย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 พระบวัวเหียวฟังแล้วรู้สึกปวดหัวทนต่อไปไม่ไหวแล้วจึงขัดขึ้นว่าหลวงพ่อครับผมปวดศีรษะจังครับหลวงพ่อพูดเรื่องหนักๆทั้งนั้นปวดหัวก็กลับไปนอนซะพูดด้วยเสียงและสีหน้าปกติไม่นอนครับหลวงพ่อผมไม่ง่วงค้นนอนประเดี๋ยวเข้าตำราตำราอะไร ตำราสมพานยุคใหม่สิครับเช้าเอนเพนนอนเย็ยนพักผ่อนค่ำจำวัดดึกซัดมามา่านมน้อยผู้มีนามว่าติ๋งต่อให้ผู้ที่นั่งและที่นั้นต่างพากันหัวเราะทำให้บรรยากาศที่กำลังเคร่งเครียดนั้นค่อยคลี่คลายลงเอาละถ้าอย่างนั้นใครก็ได้ช่วยบอกอาตมาสิว่าศีลห้ามีอะไรบ้าง พ่อแม่ลูกมองตากันปลิดๆปบเพราะไม่มีใครจำได้ครบห้าข้อเลยสักคนท่านพระครูจึงหันไปเล่นงานพระบัวเหียวอาจารย์บัวเหียวสอนอยังไงลูกศิษย์ถึงยังไม่รู้จักศีลห้าตอนขึ้นกรรมฐานไม่ได้ให้ศีลหลอกหรือให้แล้วครับพระบัวเหียวตอบท่านเพิ่งให้ศีลแปดไปหยกๆยก อาจารย์โบเยียวท่านให้เป็นภาษาบาลีนะครับหลวงตาพวกผมก็เลยจําไม่ได้หนุ่มต่อแก้ตัวแทนคนในครอบครัวนั้นก็บอกมาเป็นภาษาไทยก็ได้เอาศีลห้าก่อนลืมหมดแล้วครับหลวงตาก็น้องติงเพิ่งเรียนยังลืมเลยผมเรียนมาตั้งนานแล้วขืนจําได้ก็มาหาัศจรรย์สิครับหนุ่มต่อตอบ เอาละเพื่อไม่ให้เสียเวลาหลวงตาจะไม่พูดนอกเรื่องให้มันเยินเยอะยืดยากจะอธิบายให้ฟังว่าศีห้าข้อนั้นมีอะไรบ้างและท่านจึงอธิบายศีห้าแต่ละข้อแต่ละข้อจนคนทั้งห้าเข้าใจเป็นอันดีจากนั้นจึงอธิบายศีแปดหรืออุโบสถศธสีลพร้อมทั้งสรุปให้เสร็จสับดังนี้ จะเห็นได้ว่าศีลสามข้อหลังที่เพิ่งเพิ่มขึ้นมานั้นมันไปสนับสนุนข้อที่สามการที่ต้องเว้นบริโภคอาหารในเวลาวิกาลก็เพื่อจะได้ไม่ให้จิตไปหมกมุ่นกับกามคุณห้าอย่าลืมว่าอาหารเช้าบำรุงร่างกายอาหารกลางวันบำรุงการงานส่วนอาหารมื้อเย็นไปบำรุงกามคุณห้าว่าเราจะมาฝึกสมาธิ เราจึงต้องงดอาหารเย็นเพราะมันจะไปทำให้เกิดความกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสพอจะเข้าใจหรือยังละ่ะท่านถามคนทั้งห้าเข้าใจครับขหาบดีตอบและหนูๆละ่ะเข้าใจที่หลวงตาพูดหรือเปล่าท่านถามสามหนุ่มเข้าใจเหมือนกันครับแต่ยังไม่แจ่มแจ้ง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 ยาวประมาณสองวาเข้ามาในกุฏิสตรีอายุประมาณห้าสิบถือไม่กวาดทางมะพร้าวมัดหนึ่งตามหลังเข้ามาด้วยนี่จะหามเสามาให้อัตมาปลุกเสกหรื อ, อยังไงท่านทักเมื่อบรรุษทั้งสองวางเสาลงต่อหน้าท่านและหยุดหายใจแรงๆมันเรื่องแปลกค่ะหลวงพ่อ สตรีวัยห้าสิบวางไม่กวาดลงก้มลงกราบสามครั้งพลางเอื้อนเอ่ยได้ยินว่าเรื่องแปลกข้าหับบดีและบุตรภรยาก็ยังไม่ยอมลุกขึ้นออกไปแปลกยังไง ร, รุย่ยโอมแม้วันนี้มีเรื่องแปลกๆอยู่เรื่อยไม่รู้ว่าวัดอื่นเขาเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าหรือพระโบเหียวว่ายังไงท่านหันไปถามพระโยเหียว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 ไม่แปลกยังไงครับหลวงพ่ออยู่ดีๆสาวก็พูดได้คนแบกสาวพูดขึ้นเมื่อหายเหนื่อยแล้วอา้าวเขาพูดไปยังไงล่ะท่านถามอย่างรู้สึกแปลกใจเขาบอกอยากมาอยู่วัดป่ามะม่วงช่วยพาไปหน่อยจะไปช่วยกวาดวัดซื้อไม่กวาดไปด้วยเสียงผู้หญิงครับและมีใครได้ยินบ้าง อิฉันค่ะอิฉันก็ได้ยินพูดแบบนี้สามคืนติดติดกันสตรีผู้นั้นยืนยันผมเลยจำใจยกมาทั้งต้นเลยต้องซื้อเสาต้นใหม่มาแทนบุรุษวัยห้าสิบเศษเล่าเขาเป็นสามีของสตรีที่มาด้วยกันท่านพระโครกำหนดเห็นหนอพบสตรีร่างผอมบาง ใส่ชุดสีดำนั่งหอบอยู่ตรงหน้าท่านดิฉันจะมาช่วยหลวงพ่อกวาดลานวัดค่ะหล่อนรายงานเฉพาะเจาะจงให้ท่านรู้เพียงผู้เดียวแต่ท่านพระครูก็รู้ยิ่งไปกว่าที่หล่อนรายงานคือรู้ว่าหล่อนอยากมาอยู่กับบุรุษผู้มากับก้อนดินด้วยเคยผูกพันกันมาแต่ชาติบางก่อน ก็เขานั่นแหละที่ไปชวนหล่อนมาอยู่ที่วัดเพื่อสร้างบารมีถ้าอย่างนั้นช่วยยกไปไว้ที่ใต้ต้นปีบหลังกุฏิอัตมาก็แล้วกันท่านสั่งบรุษทั้งสองเพราะไม่ต้องการให้สตรีเพศเข้ามาอยู่ในกุฏิแม้หล่อนจะเป็นเพียงวิญญาณก็ตามจะอววาดวัดป่ามะม่วงท่านเคร่งครัดในวินัยยิ่งนัก